Thank mm -hmm. you. ทุกคนนะยอมปรารถนาความสุขสิ่งที่เราทำนะมาตลอดชีวิตก็เพื่อแสวงหาความสุขนะซึ่งบางครั้งก็ต้องอาศัยการลงทุนเนชะ่นเรียนหนังสือไปทำงานแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าจุดหมายคือความสุขทำงานหนักเพื่อที่จะได้มีเงิน มีชื่อเสียงมีฐานะอันนี้ก็เพราะเชื่อว่ามันจะพาให้เราพบ ก, กับความสุขได้แตค่ความสุขที่พวกเรารู้จักความสุขที่พวกเราแสวงหานี่ส่วนใหญ่เป็นความสุขที่มันเราจิตกระตุ้นใจนะ มันเป็นความสุขที่เกิดจากการเสพนะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเป็นความสุขที่พนอจิตใจให้อ่ให้พองโตเช่นคำชื่นชมสรรเสริญนะชื่อเสียงกิติยศพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทำให้เกิดความรอร่อยทาง เนื้อหนังหรือว่าเกิดความสุขทางกายแต่มันก็ทำให้จิตใจเราพ่องโตแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งจะมีความสุขประเภทหนึ่งนะที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นั่นก็คือความสงบหลายคนจะมีอายุมาถึงปานนี้นะ ผ่านโลกมามากทำงานจนเกษียณเคยถามตัวเองมากหรือเปล่าว่าได้รู้จักได้สัมผัสกับความสงบบ้างไหมอาจจะเคยได้ไปเที่ยวนะไปไกลถึงต่างประเทศไปมาแล้วหลายประเทศได้เจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ ได้กินอาหารรสชาติต่างๆมากมายหรือว่าได้ไปเที่ยวสนุกสนานได้เสพสิ่งต่างๆนะทา ง, ต า, งตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางดินทางกายผ่านมาเยอะแล้วแม้จะยังไม่หมดนะแต่ก็มากมายจะเคยได้รู้จักได้สัมผัสกับความสงบบ้างหรือเปล่า คนจำนนไม่น้อยเนี่ยนะแทาจะไม่ได้รู้จักเลยนะให้ความสงบเนี่ยถ้าไม่ได้สัมผัสได้ไม่ได้เจอเจอนี่ก็ถือว่าขาสิ่งสำคัญบางอย่างนะไปจากชีวิตนะเนี่ยเรียกว่าไม่คุ้มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยก็ว่าได้บางทีไอ้เรียกว่าเออเสียทีที่เกิดมาก็ได้นะถ้าว่าเราไม่ได้รู้จักกับความสงบเลย หลายคนคิดว่าเนี่ยช่วยจะมีความสุขได้นะก็ต้องนะมีเงินมีทองมากๆ ม, มีตำแหน่งมีหน้าที่มีกิจยศสูงๆมีคนชื่นชมสรรเสริญมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็คิดว่านี่แหละคือความสุขที่ชีวิตปรารถนาแต่ว่าลึกๆคนเหล่านี้เนี่ยนะก็ ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะเพราะว่าในโซลึก ข, ของจิตใจเนี่ยทุกคนนะนะย่อมปราถนาความสงบเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีะมีความทุกข์เฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการเช่นหาอาหารมาใส่ท้องจะมีที่ที่จะหลบภัย มีหลังคามาคุ้มหัวก็ต้องดิน้นรนกันไปก่อนเอาความสงบก็ไว้ทีหลังนะอย่างผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่อบพยพลนะี้ภัยในีพวกนี้เขาไม่มีเวลานะที่จะมานึกถึงนะความสงบแต่พอมีปัจจัยสี่ครบถ้วนแล้วหรือว่ามีความพั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุแล้ว ตอนนี้แหละนะที่ใจมันจะเริ่มโหอยหาความสงบแล้วก็เริ่มสแสวงหาถ้าไม่ได้ความสงบมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าวุ่นนะหรือเกิดความรู้สึกพร่องในใจมันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะจากชีวิตแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ มาถามใจตัวเองหรือไม่เคยได้ดูจิตใจก็คิดว่าอะไรที่มันทุกข์อยู่ข้างในเนี่ยมันคงเป็นเพราะเรายังมีไม่พอมัง้งพอมีไม่พอทำอยังไงก็ต้องไปหามาเพิ่มหาเงินบ้างหาทองบ้างหาทรัพย์สมบัติหาสิ่งเสย บ, บ้างก็ จ, จะมีความพอใจชั่วคราวแต่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกนะว่างรู้สึกหวงเวงอยู่ข้างใน รู้สึกยังมันมีบางอย่างที่ยังไม่สมปรารถนาก็ยังคิดไปว่าเออเรายังมีไม่พอนะทั้งที่ก็มีมาแล้วร้อยล้านพันล้านแต่ความรู้สึกโหวงเวงรู้สึกความรู้สึกโหยหาข้างในเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะเรายังมีน้อยไปนะก็เลยต้องไปดิ้นล้นหามาอีกแต่หามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าความรู้สึกพร่องโหวงเว ง, วงนี่มัน มันหมดไปสักทีตั่นเพราะว่าสิ่งที่เขาแสวงหาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ตอบความต้องการภายในที่แท้จริงถ้ามาใคร่ครวญ น, นะมามีเวลานั่งดูนะก็จะพบว่าโอ้มันไม่ใช่เพราะาเรามีเงินน้อยไปไม่ใช่เพราะว่าเรายังมีวัตถุน้อยไปชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่ว่าเรามีน้อยไปแต่สิ่งที่เราไม่มีเลย หรือแทบจะไม่มีเลยคือความสงบหลายคนเนี่ยมาพบว่าตัวเองปรารถนาหรือต้องการสิ่งนี้เนี่ยก็ตอนที่ได้มานะมาวัดเนี่ยหลายคนเนี่ยพอมาที่นี่เนี่ยนะประโยคแรกที่เขาพูดก็คือว่าโอ้ที่นี่สงบนะเขารู้สึกว่าเออเขา อ, อยากจะได้มาสัมผัสกับ ความสงบแบบนี้แหละบางคนต้องมาได้เจอถึงจะรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้ผู้คนก็เริ่มแสวงหาความสงบนมากขึ้นนะบางคนอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลมานะเพื่อจะมาหาความสงบนะที่เมืองไทยคนไทยเองตัวไม่น้อยก็เดินทางไปหาความสงบที่อินเดียคนจีนเนี่ยที่มาบวช เมืม่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือชีพวกนี้ก็มีฐานะดีนะมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมายแต่มาถึงนี้เนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ปรารถนาความสงบมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนแสวงหากันมากขึ้นเพราะรู้ว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่จิตใจต้องการแต่ว่าความสงบมันมีสองอย่างนะสงบภายนอกกับสงบภายใน สงบภายนอกคือสถานที่ที่สงบสงัดนะเช่นวัดปฏิบัติวัดป่าหรือว่าธรรมชาตินะที่ยังห่างไกลผู้คนเช่นอุทยานนะความสงบภายในคือความสงบในจิตใจคนจนไม่น้อยเนี่ยนะก็คิดว่าเนี่ยข้างในมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องได้มาอยู่ที่ ท, ที่สงบสงัด ถ้าได้มาอยู่ในจะได้มาสัมผัสกับความสงบภายนอกนะความสงบทางกายภาพแล้วจะได้รู้จักสัมผัสกับความสงบภายในนะจึงต้องมานะมาอยู่ป่านะสาวัติก็ต้องออกไปเขาใหญ่บ้างนะไปปูกระดึงบ้างนะไปเที่ยวทะเลบ้างเพราะว่าจะได้สัมผัสกับความสงบภายใน แต่มางนีก็ไม่เจอนะมาอยู่วัดป่าหรืออยู่ป่านี่มันไม่ใช่ว่าข้างในใจจะสงบเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงมอตอรไซาไม่มีเสีย ง, องือนกระทึกคลุโครมแต่ว่าจิตใจก็ยังว้าวุ่นความสงบในจิตใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเกิดว่าจิตใจนี่ยังนะว้าวุ่นฟุ้งซ่าน หรือว่าถูกรบกวนไม่ใช่ด้วยเสียงไม่ใช่ด้วยภารกิจการงานแต่เพราะมันมีความคิดและอารมณ์บางอย่างเนี่มารุมเร้ารบกวนจิตใจไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีงานการที่ต้องทำนะไม่มีผู้คนที่จะมารกระทบกระทั่งแต่ถ้าความคิดและอารมณ์เนี่ยมันยัง รบกวนจิตใจเนี่ยก็ไม่มีทางนะเพราะกับความสงบภายในได้ไอ้ความคิดและอารมณ์ที่มารบกวนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คื อ, อนิวรณ์ห้าเนี่ยแต่ตัวกลารจริงก็เป็นนิวรสี่นะนิวรณ์สีก็ก็คือนะความพุ่งซ่านนะจนกระทั่งรู้สึกเดือดเนือร้อนใจแล้วอุทธจักกุจ ก, กจกักนะ ความโกรธเคืองขุนเคืองพยาบาทความอยากนะความอยากที่าะเสพนะวัตถุเรียกว่าการมฉันทะนะหรือเรียกอยันก็ตัณหาความรังเลสงสัยเนะี่ยไอพวกนี้พอมันเกิดขึ้นมาใจก็จะไม่สงบแล้วส่วนที่นมิ t ะความง่วงนี่เออมันอาจจะไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่ มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยากจะนอนอย่างเดียวไม่ค่อยอยากจะทำอะไรให้ความคิดและอารมณ์ที่มารบ ก, กวนนะจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นคำถามนะที่ทำให้ผู้คนนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับจิตใจของตัวแต่ที่จริงแล้วถ้าเราเรียนรู้วิธีนะที่จะปล่อยวางความคิดและอารมณ์ ความสงบก็พบได้ไม่ยากไอ้ความคิดและอารมณ์ที่มารบกวนเนี่ยเราไม่ชอบนะแต่สังเกตหรือเปล่าว่าเราเนี่ยใจเนี่ยมันก็จะไปยึดเอาไว้เวลาคิดเรื่องอะไรถ้าหน้าที่คิดแล้วเนี่ยเป็นทุกข์นะแต่มันก็อยากจะคิดต่อนะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แล้วยิ่งทุกข์ก็ทําให้ยิ่งคิดอารมณ์ใดก็ตามที่มันทําให้ ใจเป็นทุกข์เนี่ยเช่นความโกรธความเศร้านะความขุ่นเคืองความรู้สึกผิดความวิตกกังวลไม่มีใครชอบนะแต่พอมันเกิดขึ้นในจิตใจก็หวงแหนอารมณ์เหล่านั้ น, นเวลาเศร้าเนี่ยก็อยากนั่งเจ้าจุกใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่อยากไป จะข อ, อนั่งอยู่เนี้ยเวลาโกรธเนี่ยใครมาแนะนําว่าให้อภยัยเถิดนะก็ไม่ยอมบางทีไม่พอใจคนที่มาแนะนํางนี้ซะอีกนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยแม่เป็นคนเจ้าอารมณ์มากที่จริงก็ไม่เชิงกันนะแต่ว่าโกรธเวลานึกถึงใครบางคนเป็นมายี่สบสาสิบปีแล้วลูกแนะนําว่าให้อภัยก็ไปเถอะแม่นี่กับโกรธลูก เสมือนกับว่าลูกนี่กำลังจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่ลูกไม่ได้ไปแย่งเอาทรัพย์สมบัติไปจากแม่ไม่ได้อลเพชรอพลอยไม่ได้อลโชนลดที่ดินไปแค่ขอให้แม่เนี่ยให้อภัยมันจะได้หายโกรธแต่ว่าเพราะความห่วงแหนเนี่ยห่วงแหนความโกรธอยากจะโกรธต่อไปความโกรธนี่มันบงการละ ให้รักษาให้ธนุธนอมันเอาไว้ก็เลยโกรธลูกนะว่าลูกนะยิ่งไม่ชอบนะก็ยิ่งยึดติดนะมันเป็นเรื่องที่แปลกเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะของรักของห่วงที่ให้ความสุขกับเราเช่นลูกพ่อแม่คนรักทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศนะ อันนี้มันให้ความสุขกับเราการที่ไปยึดมันก็มีเหตุผลแต่ที่จริงมันก็เต็มไปได้วยโทษนะแต่ที่มันไม่ น, าน่ามันไม่มีเหตุผลเลยคือไปยึดไอสิ่งที่ไม่ไม่ให้ความสุขกับเราแถมทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยทำไมถึงยึดมันนะอันนี้ก็เพราะความหลงแลความไม่รู้ตัวแล้วยิ่งมีอะไรมากระทบนะ ชีวิตของเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเช่นงานการมีอุปรสรรคธุรกิจล้มเหลวหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้ยิ่งวาวุ่นเข้าไปใหญ่เลยแต่จริงๆเนี่ยนะแม้มันเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้ารู้จักทาใจนะรู้จักวางใจใจก็สงบได้นะ แม้ว่าข้างนอกรอบตัวเราจะไม่สงบนะจะมีเสียงดังนะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ว่าในใจเนี่ยนะก็สามารถจะสงบได้นะนะถ้าเรารู้จักทาใจรู้จักฝึกจิตฝึกใจเอาไว้รอบตัวไม่มีเสียงดังนะแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมา จิใจมันก็ว้าวุ่นนะแม้ไม่มีใครนะมาส่งเสียงดังรบ ก, กวนเราแต่ว่าเวลานั่งนานๆเนะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านั่งที่ศาล า, านี่นานๆเป็นชั่วโมงความสงบในใจนี่อาจจะหาไม่ได้เลยเพราะมันปวดเมื่อย พอปวดเมื่อยเป็นไงส่วนใหญ่ก็เกิดความาว้าวุ่นเกิดความาไม่พอใจนะเกิดโทสะน้อยๆอันนี้เพราะว่ามันอยากจะผลักไสอยากจะกำจัดนะความปวดความเมื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสงบภายในเนี่ยมันหายไป เราต้องเรียนรู้จักนะ ว, ว, ว่าเมื่อเจออย่างนี้นี่เราจะทำอย่างไรโดยเพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะมันก็มีความแก่ชารามันก็มีความเจ็บความป่วยนะเครดขัดยอกปวดหลังนะสารพัดซึ่งถ้าเราทำใจไม่เป็นเนี่ยนะมันก็จะทุกข์มากหาความสงบในจิตใจไม่ได้ ดัง้ที่เขามีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วการที่ใจเราเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้จิตใจไม่สงบมันไม่ใช่เพราะความเจอบความป่วยมันไม่ใช่เพราะความความเสื่อมถอยของสังขารหรือไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีสิ่งไม่ดีนะมาเกิดขึ้นกับเรา ลองสังเกตดูนะเมื่อใดก็ตามนะที่ใจเรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดรอบตัวเราหรือเกิดกับตัวเราก็ตามเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นนันทีมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขานั่งนั่งภาวนาในคอร์สที่ยาวถึงสิบวันนั่งทั้งวันเลยนะ ไม่เหมือนกับที่นี่ที่นี่ยังมีนั่งบ้างเดินบ้างครูบาอาจารย์ก็ต้องการจะให้ผู้ปฏิบัตินี่ได้เห็นเวทนาโดยเพราะทุกขเวทนาแต่ถ้าดูไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเกิดความเจ็บปวดมากแลว้วก็จิตใจก็ร้อนรุ่มเพื่อวคนนี้ก็เหมือนกันนะเขานั่งไปเป็นชั่วโมงก็ปวดเมื่อยมากนะเมื่อยจนกะระปวดจนกระทั่งว่ากระดูกมัน นะแทบจะหักเลยก็ได้ในความรู้สึกของเขาถ้านั่งต่อไปนี้ฉันคงแย่แน่ๆมันบนนะ่นว้อยๆอยู่ข้างในใจเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็พยายามหาอะไรหาธรรมะมากดขม่มขันติบ้างความอดทนบ้างนะสมาธิบ้างแต่ว่ามันก็เจิงหมดเลยยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะ จนทั้งมันมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้น่าเนี่ยถ้าทำนั่งอย่างนี้ต่อไปฉันตายแน่พอคิดแบบนี้เขา้ายิ่งแย่ใเลยก็ดูมันจะหลุดจากกันให้ได้แต่จูๆมก็มีความคิดหนึ่งแบบดขึ้นมาว่าเออถ้าตายก็ตายตายก็ตายพอคิดแบบนี้เข้านี่มันโล่งเลยนะไอ้ความว้าวุ่นในจิตใจมันสงบเลย ความรุ่นร้อนนี้หายไปและความปวดที่รู้สึกมันทนไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเลยสามารถที่จะนั่งต่อไปได้อีกนะอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อนอีกคนหนึ่งนะไปจาริกเดินขึ้นเขานะเขาสูงในประเทศอินเดีย มันเป็นที่คนนิยมจาริกนะเพราะว่ามันมีเป็นสถานที่สวยงามเป็นทะเลสาบนะบนภูเขาซึ่งแวดลอ้อมด้วยหิมะสูงมากนะประมาณสี่พันเมตรพอไปถึงเนี่ยนะเกิดอาการนะเพราะว่ามั น, มนสูงมากอากาศเบาบางปวดหัวหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ค่อยออก ขนาดลงมาแล้วเนี่ยมาที่ความสูงประมาณสามพันกว่าเมตรก็ยังไม่หายยาก็ไม่ได้เตรียมตกกลางคืนเนี่ยนะมันหายใจแทบจะขาดใจให้ได้มันหายใจไม่ค่อยได้ใครที่หัวใจก็เต้นเร็วเพราะว่าความดันอากาศหรือออกซิเจนนี่มันน้อยก็เป็นอย่างนี้เป็นชั่วโมงแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆทุกทรมานมากก็ก็ฝึก ปฏิบัติธรรมนะพยายามที่จะเลืนสตินะพยายามที่จะมองบวกเอาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี่มามันก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคนที่จะขาดใจนี่มันมันทรมานมากทำยังไงก็ไม่ไหวนะจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นอาการทางกายก็แย่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสุร่มันไม่ไหวแล้วเขาบอก ตายก็ตายพอปรงใจแบบนี้นะรากว่าใจนี่มันที่มันทุรนทุนทนรายนี่มันสงบเลยนะแล้วก็เริ่มที่จะหายใจได้หายใจได้ดีขึ้นหายใจยังติดขันนะแต่ว่าพอไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจไม่กลัวการหายใจเนี่ยลมหายใจที่แม้จะน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็พอพอที่จะ ทำให้ร่างกายนี่มันอยู่ได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทังการหายใจก็เริ่มสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เขามีความทุกขนะ์ร้อนรุ่มในจิตใจมีความทรมานมากผลก็คือใจนี่มันไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ ท, ทันทีที่ใจยอมรับได้นี่มันสงบเลย หลายคนมีความทุกข์ใจเนี่ยพอคิดว่าเป็นเพราะความเจ็บความป่วยเป็นเพราะความแก่ชาราแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนอกจากความทุกข์กายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันซ้อนทับขึ้นมาก็คือความทุกข์ใจทุกข์ใจที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ทั้ทตที่ใจยอมรับมันได้นะ ใจสงบเลยและจะพบว่าไอ้ความทุกข์กายเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่พอไหวทนไหวแต่ที่ทำให้ทนไม่ได้คือใจนะใจที่มันกระสับกระส่ายใจที่มันปฏิเสธใจที่ไม่ยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นคนเราเนี่ยถ้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะ เร็วลายเพียงใดเนี่ยแต่ความสงุกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ยากนะแม้กระทั่งนะความตายมีเพื่อนคนหนึ่งนะไปเล่นน้ำที่ระยองว่ายน้ำไปไว่ายไปไว่ายมาปรากว่าถูกน้ำเนี่ยถูกคลื่นเนี่ยมันซัดออกห่างจากฝั่งและออกทะเลกว้างมากขึ้นก็ตกใจมาก กขาไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคลื่นทะเลย้อนกลับมังหรือคลื่นทะเลดูดคือปกติคลื่นเนี่ยมันจะซัดเข้าฝั่งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกระแสะน้ำหรือคลื่นที่ซัดออกจากฝั่งและแรงมากหลายคนพอเจอเหตุการณ์นี้ก็จะตกใจเพียงันนี้ก็ตกใจเหมือน น, นะพยายามห้เข้าฝั่งแต่ไว้เท่าไหร่ไ้เท่าไหร่ก็ ก็ยังทุกสู้กระแสนหน้าไม่ได้ไว้ายว้ยวก็ยังไม่ไปไหนห่างไกอจากฟังไปเรื่อยๆจนกทั่งหมดแรงพอหมดแรงเนี่ยนะเาก็คิดว่าเนี่ยตายแน่และในใจนี่ก็บอกเออตายก็ได้ยอมพอที่ฉันนี่เขา เลิกเลยนะเลิกไหว้ต่อไปเลยปล่อยมือลอยคอปล่อยให้กระแสน้นำพัดพาไปตอนนั้นเขาบอกใจมันสงบมากเลยใจมันสงบมาก ท, ทั้งที่กลาลังจะตายนะใจสงบสงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคลื่นนะสัต์ตัวเนี่ยเข้าสู่ฝั่งก็เลยรู้ว่าตอนนั้นหะลุด ลุไปจากกระแสน้ําแล้วหรือว่ากระแสน้ํามันอ่อนแรงพอลูกอ่นี้เขาก็เลยรวบรวกําลังนะพยายามไหว้เข้าฝั่งเพื่อนเสี่ยซึ่งอยู่ในเหตุซึ่งเห็นเหตุการณ์เนี่ยซึ่งพยายามช่วยเขาตั้งแต่แรกแต่ช่วยไม่ได้พอรูนะ้เนี่ยเขากําลังไหวยเข้าฝั่งก็เลยนะไหว้ไปหาแล้วก็อพยุงเขาเนี่ยกลับเข้าฝั่งก็เลย ม, มารู้ตอนหลังว่าตรงนั้นเนี่ยนะมันมีคนตายเยอะ ตายเยอะเพราะว่าหมดแรงที่หมดแรงก็เพราะว่าพยายามว่ายฝืนทวนกระแสน้ำถ้าทั้งที่สู้ไม่ไหวก็ยังไม่หยุดว่ายเพราะตื่นตโนกเนี่ยขาดสติมากเลยกลัวฉันจะตายหรือเนี่ยไม่ได้ฉันตายไม่ได้ก็พยายามที่จะว่ายสู้กระแสน้ําแต่น้ํามันแรงมากเขาไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเขา ว, นะว่ายนะว่ายขนานกับ ขนานกระฟังก็จะหลุดจากกระแสน้ำนั่นและเพราะกระแสน้ํามันเป็นแท่งนะแท่งแท่งที่ไม่ไ ม, ไ, มไม่กว้างนะอาจจะสักสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรนะถ้าแทนที่จะไหวเข้าฝังก็ว่า้ขนานกข้าฟังนี่ก็จะหลุดแล้วก็จะรอดแต่ส่วนใหญ่ด้วยความตื่นตหนกพอตื่นตระหนกแล้วเนี่ยขาดสติไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าไหร่แต่ผู้ยญิงคนนี้เนี่ยแกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ถ้าไหว้ขนาดกระฟังจะรอดแต่รู้แต่ว่าเนี่ยในเมื่อจะตายแล้วเนี่ยก็ยอมตายนะพอยอมตายวกใจมันสงบเลยนะความสงบในใจิตใจเนี่ยนะส่วนนั้นกเกิดขึ้นจากการที่ใจมันยอมรับนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงดังก็ถือว่ามันธรรมดาใจก็สงบรถติด หลายคนในรถติดเนี่ยจิตตกเลยว้าวุ่นหงุดหงิดเนี่ยแต่ถ้าหมอเออมันธรรมดายอมรับได้พอใจยอมรับปุ๊บมันสงบเจ็บป่วยก็เหมือนกันเป็นมะเร็งที่แล้วก็ตื่นตนกตกใจเพราะว่ายังหวงยังแหนในร่างกายนี้ยังยึดติดวะเนี่ยเราต้องมีสุขภาพดีหรือบางทีที่ถึงความตายมันใจมันทุรนทุรายแต่ทันทีที่ยอมรับได้เออเนยใจมันสงบเลย การที่เรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดกันทุกเชา้าทุกเช้าเนี่ยมีพูดเรื่องความทุกข์เยอะเลยไม่ใช่เพื่อให้เราอ่ารู้สึกว่าชีวิตนี่มันมันเต็มไปได้วยทุกข์นะแล้วทําให้ใจหดหูนะแต่เพื่อให้เรารู้ว่าเออมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นความจรงิงที่เราควรยอมรับอพอเรายอมรับได้เนี่ยเจอทุกข์อะไรเนี่ยมันก็ไม่วาวุ่นร้อนรุ่มกระสับกระส่าย ดนั้นยิ่งพวกเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในช่วงสูงวัยในช่วงขาลงเนี่ยมันจะมอีอะไรที่ไม่สมหวังหรือว่าไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆแล้วก็ที่กำลังรอยอยู่ข้างหน้าก็อีกมากแต่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกนะถ้าเรารู้จักฝึกใจให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับได้นะใจก็สงบ ข้างนอกมันจะวุ่นไวายยังไงนะแต่ว่าเออใจเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้แหละคือสิ่งนะที่คนที่สูงไวัเนี่ยก็จะก็จะได้เปรียบกว่ากับคนไวัยอื่นเพราะเขาผ่านโรมอะมาเขาก็าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาได้มากขึ้นนะความล้มเหลวก็เป็นธรรมดาอุปสรรคก็เป็นธรรมดาคนพูดจาไม่นานัล้วก็ธรรมดา เจ็บป่วยก็ธรรมดาพอเห็นว่าเป็นธรรมดาใจมันก็ไม่ไม่ผักใสไม่โวยวายไม่บน่นไม่อดครวนแค่นั่นแหละนะความสงบก็จะเกิดขึ้นได้กับใจของเราอันนี้แหละคือความสุขนะที่เราสามารถจะพบได้นะไม่ใช่ที่ไหนไม่ต้องมาถึงวัดไม่ต้องไปไปป่านะไปค้างแามในป่าเราพบได้ที่ใจของเรานะเพียงแต่เรารู้จักนะการ อยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอ่ชาวนี้พิ่งกันเท่านี้นะกราบค่ะ